ตอนอบรมคอร์สนวมินระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2559ตอนที่สี่ไม่เห็นทุกไม่เห็นทำเพราะครูเห็นทุกบ้านปลาย 7-8 ปีสุดท้ายนั้นทุกมากทุกในขณะที่ในทางโลกมันสมเด็จเงินเต็มบ้านเลยนะทุกอยู่ในกองเงินกองทองเพราะมันขำหาคําตอบไม่เจอไอตัวความสุขมันเป็นยังไงล่ะรถพวกคนะูชอบเล่นรถนะอะไรขาสั้นๆเนี่ยชอบเล่น จองไม่ลงหน้าเลยออกมาซื้อซื้อซืสะใจไม่กี่วันมันก็ออกรุ่นใหม่ใช่ไหมมันออกรุ่นใหม่ตลอดตามไปว่าไม่ทันน่ะแล้วก็เลยคิดเจ็ดปีสุดท้ายว่าแล้วอะไรแล้วอะไรละ่ะคิดไม่ออกภาษามันบล็อกเอาไว้มันบอกทําไมเบื่อขนาดนี้ก็รวยแล้วก็ใช้เงินสิไปเที่ยวไปเที่ยวยังไม่ไปจะรู้ว่าทําอะไรทํามาหมดแล้วไงเนีย่ยเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุข เวดาจะทุกได้ยังไงมันสุขชอบกินทุเรียนไหมบางคนเอาทุเรียนมากินกินแรงๆเนี่ยบางปุ๊ด็คนสุขมากคนหนึ่งทุกมากมึงเอามาทําไมถ้ามันมันอร่อยจริงๆเนี่ยทุกคนต้องอร่อยเหมือนกันหมดมันไม่ใช่ความจริงความอร่อยก็ไม่จริงเทวดาเนี่ยตอนนี้ผลไม้ประจําตัวคืออะไรถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราจะเลือกกินอะไรถ้าเรากินอันนี้สมมุติว่าเราชอบ ถ้าเราได้กินสิ่งที่เราชอบเรารู้สึกดีเนาะกําลังมีความสุขกับมันอยู่มีคนเขาแย่งไปเลยเนะี่ยรู้สึกยังไงโกรธแล้วถ้าชอบกินแอปเปิ้ลจะไม่มีความสุขเดี๋ยวพ่อคูจะให้ความสุขหนึ่งปีให้กินแอปเปิ้ลตลอดปีแล้วไม่ต้องกินอะไรเนี่ยสุขไหมนั่นแหละนั่นแหละเลละทเวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุขไม่จําเป็นอย่ขึ้นสวรรค์นะอย่าไปถูกเขาหลอกนะทํามุลเยอะๆไปบนสวรรค์นะเราเสียเวลาอยู่นั่นหลายรอบแล้ว สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวัตาสงสารไม่ใช่ทางคนทุกข์เทวดาทุกข์มากที่สุขถ้าเราเข้าใจชีวิตเราเรานั่งอยู่เฉยๆก็สุขคุยกับทุกคนก็สุขสุขนี้ไม่ต้องไม่ต้องแลกโดยได้อะไรก่อนเต่เขาเรียกคนซึ่งสามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองเขาเรียกว่าอาจารย์เขาไม่เรียกว่าคนเก่งคนร่ํารวยเนี่ยเขาไม่เรียกอาจารย์ บางทีเขาเรียกว่าคนโง่ด้วยนะเต๋เขาเรียกคนที่ว่าสามารถทำให้ตัวเองมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งอะไรเขาเรียกว่าอาจารย์นั่นหละสุดยอดของความเก่งโลกใบนี้ไม่มีสุขในโลกนี้ไม่มีความเย็นในโลกนี้มีแค่ความร้อนผ้าทิตเป็นตัวจ่ายความร้อนไม่มีดาวดวงไหนจ่ายความเย็นน้ําแข็งที่มันเย็นเพราะความร้อนมันน้อยเท่านั้นเองลองวางนุมก็ละลายอีกเห็นไหม ชันใดชั น, นั้นความสุขในโลกนี้ไม่มีมันอยู่ข้างในความสุขมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแค่เอาทุกข์ออกเทนั้นเองไม่ต้องเพิ่มสุขอะไรเลยอันนั้นสุขจอมปลอมความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระเราไปหาเรื่องทุกข์เองโต๊ะนี้มันสะอาดเพราะอะไรไม่ใช่ไปซื้อตัวความสะอาดมาใส่นะมันสะอาดเพราะเอาความสุขปวกออกเท่านั้นเอง ผู้เจ้าไม่ได้เคยสอนให้เราเพิ่มเติมแม้อะไรแม้แต่หนึ่งอย่างแม้กระทั่งความรู้สอนให้เราทำสามอย่างคือทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสมีตัวไหนให้เพิ่มความรู้ไม่มีรู้มากทุกมากเป็นอีโก้เป็นหัวโขนเป็นอัตตาเพราะองค์มไม่ได้สอนให้เราเพิ่มที่เราทุกเพราะเรามีหนึ่งมีกรรมก่อนเขาเดงมาเกิดพอเกิดแล้วเขาให้ขันห้ามาให้อายตนะหกมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการดวงชีวิตแต่ทีนี้เราเอามันมาเสด เขามีตามองว่าเฮ้ยตรงนั้นเป็นหนุ่มเป็นบ่อนะอย่าเดินไปนะมันเป็นกองไฟนะได้ยินเสียงไอ้เสียงอะไรฝนตกหรือเปล่าไอ้เสือมันมาหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เอาเอานี้มาเสพอันนี้ก็สวยสวยอันนี้ก็เพลาะเพลาะอันนี้ก็หอมหอมอันนี้ก็อร่อยอร่อยอันนี้ก็นิ่มๆทุกสิพอไม่ได้ดังใจปุ๊บนี่ทุก เราไม่รู้เท่าทันอายาตนะคือตาหูจมูกดินกายใจแค่นั้นเองถ้าเรารู้เท่าทันพุกขันห้าปรุงแต่งไม่ได้ยกตัวอย่างว่าเขาด่าเราเสียงนั่นคือรูปไอตัวได้ยินเสียงคือ น, นาง ม, มันเกิดมันก็ดับแต่เราไม่เห็นตอนมันดับรูปเกิดปุ๊บในล ง, ลงใจในเวทนาเกิดเลยมันเร็วใช่ไหมเราเก็บแต่เรามันมันมันบอกช้าแล้วยงไงมันสายเกินไปแล้วมันก็เมมไว้เป็นสัญญาใหม่ เราเราแค่ให้อภัยทานถ้าทําได้แค่นี้เป็นพรหมพรหมวิหารคือเราอุเบกขาได้แต่อุเบกขานั้นเกิดจากความกดข่มอโหสิกรรมเราก็ได้ให้อภัยทานแต่เราบาดเจ็บแล้วเข้าใจไหมอันนี้คือพรหมวิหารแต่ถ้าเราปฏิบัติเข้าไปสู่อริยะวิหารเราจะมีอุเบกขาสัมโพชงโดยที่ไม่ต้องให้อภัยเขาด้วยสัแต่ว่าได้ยินเรารู้ว่ามันได้ยินปุ๊บ ก, กระทบหูจบไม่ต้องตัดสินว่าก็ถูกกรืผิด ไม่ต้องเสียเวลาให้อภัยนี่คืออริยะวิหารเป็นอุเบกขาสัมโพชมอันนั้นแหละคือสุขทุ ก, กขก์กับอสุขทุกข์ไม่ถูกไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นอารมณ์หนึ่งอันนี้ก็ทุกข์นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเราจิตเรามันเข้าถึงเราเราเข้าใจมันเนี่ยนะอย่างเช่นว่าเราเกลียดในกองมากใช่ไหมแมเราเกลียดมันมากเลยแต่ในกองนี่ทําให้เราสุขได้นะเมื่อเรามันไม่อยู่กับเราเมื่อเราไม่ได้คิดถึงมันแล้วก็เราไม่เห็นหน้ามันพอเราเห็นหน้ามันเราก็คิดอยู่แล้วไง แต่ถ้าเกิดไม่เห็นหน้ามันเราลืมมันเน่ยแหละมันก็ทําให้เราสุขได้เนาะแค่มันไม่อยู่เนี่ยแะมันเป็นของคู่ผู้ชายต้องบอกเดินทางสายกลางไม่ปฏิเสธชั่วกับดีไม่ใช่หนีมันรู้เท่าทันมนแล้วหนีอยู่เรื่อยพวกพวกปฏิบรรัติทำหนีเข้าไปในฌานนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งไปติดสุขในฌานสบายสบายนะที่ศูนย์ผู้วัยยี่ิบเจ็ดปีเจอมาหมดแล้วคนที่ไปตามไปดูไปอะไร มีผู้ชายคนหนึ่งมาจากคลองสี่คลองห้านี่แหละเคยบวชที่วัดป่าหยุดศึกไปแล้วแล้วก็เป็นั่งปุ๊บจับเขาครูเอ๊ะที่ลักมองว่าอวิชาหลวงโพโตหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาจับลมในเวลานั้นเขานอกเสียงดังแค่ไหนเนี่ไม่กระเทือนเขาเขาบอกว่าเขาอยู่เหนือเวทนาเขาบอกนะพอชั่วโมงหนึ่งเขาก็ทํำอีกเพราะคูเห็นผิดเขาแข่งนิดหนึ่งเพราะคูเดินไปตีละครปิ้งเลยสะดุ้งเลย ทิ้งอวกอาเจียนพวกแตกเนี่ยหลังโกงเลยเพราะกลัวอันนี้เขาเรียกว่าเวทนาคุณหนีเวทนาต่างหาคุณยังไม่อยู่เหนือเวทนาระวังผิดฉุกในชาตน่ะตายเปล่าไม่ใช่คือคือเขาหนีมันเขาไม่ไม่ไม่ไมปัญญามนันเกิดจากรเราเผชิญได้สิ่งนั้นมันกระทบไม่กระเทือนเราจริงๆเรารู้เท่าทันมันเข้าใจเปล่าโอ้ไปนั่งเงียบๆสงบนิ่งๆสบายสบา ย, บายพอออกมาเขาว่าหน่อยหนึ่งวีนอีกแล้วอยู่กับเสียงดังเลย ต่อไปชีวิตเรามันไม่ได้เงียบอย่างว่าไงแม่ค้าเขาด่ากันเนี่ยแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินเนี่ยสู้ความจริงไม่ใช่ไปหนีมันนะแต่ชนมากใช้เทคนิคอะไ ร, ะไรเนี่ยอันนั้นคือเด็กๆสิ่งแวดล้อมทำให้เราสงบง่ายแต่มันไปนสุสงบชั่วคราวนะเหมือนไปกดสปริงไว้ละกมันไว้เพอพุเนี่ยตั้งเด้งผางเลยไงเห็นไหมครูบาอาจารย์เราเนี่ยกดไว้ 38, สามสิบแปดษาไงเราต้องทาลายสปริงซะ ยืดมัน อ, อกเมื่อมันแค่เป็นเหล็กเส้นเส้นหนึ่งนี่ไม่ต้องกดเลยมันไม่มีผลสำหรับเราแล้วไงดับทุกดับที่ต้นเหตุแห่งทุกตอนนี้เราดับปลายเหตุไม่กระทั่งฝึกจิตฝึกอะไรก็ปลายเหตุเหมือนกินยาพารานั่นแหละ27ปีพ่อครูไม่ต้องกินยาแก้ปวดแม้แต่หนึ่งเม็ดไม่มีแม้แต่หนึ่งวินาทีที่มันรู้สึกปวดหัวในขณะที่อดีตที่ผ่านมาเป็นไมเกรนอย่างหนักมันแก้ที่ต้นเหตุคือมันไม่คิดไง ไม่ใช่มันไม่คิดนะไอคนที่มันชอบคิดตายไปแล้วถูกระเบิดทิ้งไปแล้วมันมันไม่มีความอยากแล้วมันต้องไปคิดทําไมมันไม่มีอนาคตแล้วมันไม่มีต้องกิดมันก็สบายใช่ไหมละ่ะไม่ต้องเสียเวลาไปคิดกังวลห่วงใหยสงสัยพราะครูทั้งรู้เห็นจิตแล้วเพราครูถวายชุดบูตเจ้าเลยไปเห็นได้ยังไงไม่ใช่ไปเห็นไปรู้เฉยๆนะแยกเป็นหมวดเป็นหมวดชัดเจนแบบนี้มีใครทําได้ไม่ถ้าอรหันหลายลูกแค่เห็นนะั้นเข้าใจพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันคือเราไม่ทุกข์เท่านั้นเอง แต่เราไม่มีปัญญาใหญ่ยิ่งมองเห็นทั้งหมดเลยอย่างนี้นะนั่นแหละถวายชีวิตไม่มีข้อกังขาเลิกนับถือบู้าทันทีเลยวินาทีนั้นเพราะคําว่านับถือมันหยากไปบูชาถวายชีวิตโตดุสเดียยิบจ็ปีไม่ไม่มี ม, ม, ม้แต่หนึ่งวินาทีมานั่งคิดกังวลให้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ตัวคนเดียวนะเพราะกลัวครอบครั ว, ร ว, ร ว, รวถวายชีวิตต้องครอบครัวเลยลูกน้อยสองคนพ่อครูตอนอายุสี่สิบหนึ่งระเบิดสี่สิบลูกสาวคนโตน้องขีขวบหนึ่ง ลูกชายคนเล็กอยู่ในท้องแม่เขาเดินยังไม่รู้ด้วยพอพาแม่เขาปฏิบัติเขาอาเจียนใหญ่เลยพาไปหาหมอตั้งท้องเดินพ่อคูหยุดตอนที่ไม่ใช่ลูกยังเล็กอยู่ยังไม่เกิดด้วยหยุดก็คือหยุดรอเขาคลอดเสร็จเขาหกเดือนพ่อกูก็อุ้มเด็กสองคนนี้จากเมืองนอกไปอยู่ป่าถ้ามันไม่ชัดเจนมันกล้าทํำไหมหลายคนอ้างว่าลูกมันยังเล็กอยู่พอลูกโตแล้วอ้างว่าหลานมันยังเล็กอยู่ไม่มีข้ออ้างหยุดก็คือหยุดเมื่อเราหลงทางแล้วเรามีเหตุผลไหม เอาคนที่เราสร้างเขาขึ้นมาแล้วถ้ามันระเบิดความไม่แต่งงานอยู่แล้วแต่มันเหตุเราสร้างมาเราต้องดูแลเขาไงดูแลก็คือพาเขาจากเมืองนอกไปอยู่ป่ายี่สิบเจ็ดปีเขาก็โตอยู่ที่นู่นคนหนึ่งบวชชีบวชเนนถวายพูดเจ้าตอนนี้เขาจบปริญาโทแล้วก็ออกมาดูแลโรงเรียนคนยากจนเราสองโรงเรียนเพราะครูไม่สอนให้เขาตามโลกตามไปว่าไม่ทันสอนให้เขาอยู่กับโลกให้ได้รู้เท่าทันโลก เราหลงไปอยู่แล้วเราไปพาเขาไปหลงทําไมล่ะชัดเจนไม่ต้องมีข้องสงสัยทีเดียวจบถ้าให้ให้พ่อครูมาอดทนอย่างพวกเรามาปฏิบัติอย่างนี้พ่อครูกล่ า, าพวกเราด้วยนะพ่อครูทําไม่ได้ถ้ามันไม่ตัดคอพ่อครูเลยเนี่ยคนอย่างพ่อครูอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไม่มีทางเลยแหละแลนมาก อันนั้เป็นแค่องค์ความรู้เขาว่าเขาว่าผู้เจ้าว่าว่าว่ามันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้ทีนี้ผู้เจ้าก็บอกเครื่องมือเราไงต้องศรัทธากับสิ่งที่เราทําต้องศรัทธาตั้งมัน่นต้องตั้งมัน่นล้มลงไปก็ลุกอีกล้มไปก็ลุกอีกถ้าไม่ศรัทธาล้มลงไปเออเราใช่หรือเปล่าวะเราหาเรื่องทําไมต้องมาเจ็บตัวเห็นไหมมันจะมีข้ออ้างทั้งนั้นแหละกิเลสมันทํางานอย่างซื่อสัตย์แต่ทีนี้บางครั้ง มันเบื่อมันเบื่อเบื่ออยากอยากต้องขันติอยากเพิ่งขันแต่ก่อนนะผู้เจ้าเปลี่ยนของเภามาใช้ได้หมดเลยไม่ใช่ไปรู้เฉยๆต้องเอามาใช้ทั้งหมดโดยเฉพาะแนวที่เราปฏิบัตินะเดี๋ยวเดยวไปจะรู้มันเจอทั้งสุขทั้งทุกข์ทําไมตอนเช้านี่พอกูมีเอ๊ะกำลังดีๆอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่นเป็นห้าโปรแกรมนะ <S <S นั่นแหละทําให้จิตมันยอมรับความเปลี่ยนแปลงอย่าปิดติดมันทั้งนั้นเอาสิ่งแวดล้อมจังหวะเพลงใหม่เอามาใช้ได้ ชีวิตเราเพอกําลังดีอยู่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงพุ๊บกำลังเดินมาดีๆเนี่ยบังเอิญว่าเรา ท, ทําธุรกิจบางทีเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีไม่ใช่เราเป็นคนทํานะอ่ะลาลา้มอะไรทุกอยู่นัานเพราะเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าจิตมันผ่านโปรแกรมนี้นะมันเปลี่ยนจังหวะไหนฉันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ไม่งั้นชีวิตเรามันสะดุดสะดุดปุ๊บในกลายเป็นว่าขาดสติเลยเนะอารมณ์ที่มันผิดหวังเนี่ยเราฝึกยอมรับความเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมแบบไหนก็ได้ ฉันเอามาทําประโยชน์ได้หมดเราไม่ได้ฟังเพลงนะเราฟังเพลงผิดศีลนะเราฟังเสียงเสียงมีอิทธิพลต่อมนุษย์เห็นไหมนี่แหละง่ายๆบางคนบอกว่ามันง่ายขนาดนี้เหรอถามว่าแล้วทําไมต้องยากล่ะธรรมชาติมันคือธรรมดาวิชาการมึงทำให้มันยากเฉยๆว่างใวางฟอร์มให้มันขังเสียเวลาเรื่องไรยสาระติดรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้เรายกเราก็หนักเห็นไหมเราวางเราก็เบาแค่ง่ายๆทําไมไม่ทําล่ะ อุ้ยพ่คุณมันวางยากยากพ่อควางไม่ได้ถึงพวกคุณย่างพ่อคุณวางยากมันยากยังไงตํารวจก็ไม่จับไม่ต้องขอวีซ่าต่างหากไม่ต้องขออนุญาตใครเลยมันยากตรงไหนมันยากเพราะมันง่ายเกินไปเพราะว่ากิเลสมันไม่ยอมให้เราง่ายๆมันมันมันจะมีข้ออ้างบางคนบอกนะโอ้โหทำมันไม่แรงไปเลยยังยังยังยังไม่พอสู้กิเลสไม่ได้ตอนนี้กิเลสกิเลสมันขี่จรวดใช้จีสี่จีห้าจีหกแล้วเลยจะไปต้นต้นเตี้ยมมันทันหรือเปล่า มันจะไปฝึกอนุรักษ์ของเก่านั่นแหละสมัยโบราณนั่นแหละเอ้าพวกคูเนี่ยสมว่าเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์วัดป่าเนี่แต่เด็กๆหลวงปู่ชาเนี่ยแหละเทคนิควัดป่าไม่ใช่ผิดนะคุณต้องอยู่ป่าตอนนี้ชื่อวัดป่าจะเป็นวัดโยมหมดเอากิเลสเข้าไปแล้วคุณจะอยู่ได้ยังไงเทคนิคนั้นมันต้องปีกวิเวกหนีอันนี้เปิดโยมานี่ยถุงดึ ง, งโยมดึงออกไปยังไงแล้วไม่มีป่าอยู่แล้วนะไอ้มือถือที่มันไล้สายมันเข้าไปหมดแล้ว มันไม่มีที่ไหนวิเวกจุดที่วิเวกที่สุดคืออยู่ไหนรู้ไหมรู้เปล่าอยู่ประเทศไหนนั่นแหละเข้าไปข้างในนั่นแหละนั่นแหละวิเวกวิเวกภายใต้สิ่งแวดล้อมที่วุ่นวายเนี่ยเสียงอึกกระทึกครกโคลไม่ใช่ที่มาของความไม่สงบความไม่สงบเกิดขึ้นจากอารมณ์และท่าทีที่เรามีกับมันพอเราชอบเงียบเงียบ ม, มัดังปุ๊บเราวีนละไปทั้งที่อื่นแล้ไ ป, ไปว่าคนอื่นอีกจริงๆแล้วตัวเองไม่ทัน เราชอบโทษคนอื่นไม่ต้องโทษใครทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งไม่ต้องโทษตัวเองใช่ไหมตัวเองถ้าว่าผู้ผิดเนี่ยที่มันหลงมาเกิดมันก็ผิดแล้วไงมันจะไปโทษคนอื่นหรอมันได้แหกปากเล้าตัวเด ว, วันแรกและูลลเราผิดในใจเราอยากอยู่ต่ไปอย่างนีเอออันนั้นเป็นอารมณ์ชั่วครู่เวลานั้นเพราะมันเบื่อความเบื่อมีประโยชน์นะแต่ถ้าหลงมเมื่ อ, อไหร่ในความเบื่อเป็นโทษอย่างยิ่งมันจะไม่วางมันจะทิ้งวางไม่ได้แปลว่าทิ้ง วางความจิตมั่นถือมั่นเราไม่มีบารมีเท่ากับเจ้าชายจิตตฐานมีด็ อ, อร์คนหนึ่งเน่ะเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่พ่อกูเนี่ยว่าจากอเมริกาไปอยู่ป่า <c oughs> เขาก็เป็นห่วงพ่อกูน่ะไอ้นี่บ้าหรือเปล่าผิดหวังอะไรไหมเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยเราเล่นการเมืองด้วยกันแกบอกผู้เจ้าก็มีกิเลสเนี่ยพราะว่ามีกิเลสยังไงอยากไปนิพพานก็ทิ้งลูกทิ้งเมีย <c oughs> ผู้เจ้าคือูผู้ผผผตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลาจากกิเลส แต่เจ้าชายสิทธัตถะยังมีกิเลสอยู่แต่เป็นกิเลสในทางที่ดีพระองค์ไม่ได้ทิ้งอย่าว่าจะทิ้งลูกเมียพระองค์ทิ้งแผ่นดินทั้งแผ่นดินเลยหรอถ้าพูดทิ้งอันนะพระองค์วางชั่วข่าวพระองค์รู้ว่าขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปพระองค์ก็ไม่พ้นทุกคนที่พระองค์นักก็ไม่พ้นทุกพระองค์ก็ไปแสวงหาโมกะธรรมพอบรรลุธรรมเห็นไหมพระองค์ทิ้งไหมพระองค์ก็กลับมาโปรดบรรลุธรรมหมดทีแรกท่านไม่ได้คิดหรอกท่านคิดก็ไม่รู้ท่านมีคําถามตลอดเวลาไงเห็นไหมล่ะ แต่บารมีเก่าเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ทุกข์อะไรพระองค์เห็นทุกข์พระองค์ไปเห็นทุกคนอื่นพระองค์เลยเศร้ามากเพราะว่าพระองค์มีมหากรุณาธิคุณเนี่ยพระองค์บรรลุธรรมเพราะความเศร้าพราะกูเห็นธรรมเพราะความเบื่อไม่ไม่เหมือนกันความอยากได้ของเราเนี่ยมันมันก็ให้เราไม่เราได้ไล่ได้เราได้เต็มที่ล้ะก็สุกสิมันฉุกไม่ได้เพราะกูเบื่อแต่พระองค์เศร้าเนื่องจากพระองค์มีมีกรุณาธิคุณพระคุณมองอะไรเรื่องเมตตา ทำไมต้องทุกอย่างนี้ทําไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องทะเลาะ ก, กันอย่างนี้ความเศร้าเนี่ยทำให้พระองค์วางตรงนั้นได้เพราะครูเจอความเบื่อหลายคนสัมผัสตัวเองเราถึงเข้าใจพระพุทธเจ้าถวายชีวิตเลิกนับถือบูชาจนถึงวันนี้พูดตรงๆนะคำว่าบูชา ย, ยังอยากไปแต่มันไม่มีภาษาผู้ที่มันเหมาะสมกับสีความยิ่งใหญ่ของพระองค์ภาษาพูดได้แค่นี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตเราเห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนไม่มีลังเลสงสัย ไม่ได้อ้างว่าลูกมันยังเล็กอยู่มันยังไม่ได้เกิดด้วยอยู่ในท้องแม่ <laughs> ไม่ได้เกิดเลยฮะหยุดแล้ ว, ลอลวรอเนี่ยพวกคุยอยู่บ้านปีหนึ่งนะไม่ได้ไปทำไม่ไปไหนเลยสุขบริษัทคอมพิวเตอร์ไม่ไปร้านอาหารที่เราให้ผู้จัดการมันทําหมดไม่ต้องไปไม่มีกังวลแม้แต่หนึ่งนาทีเห็นไหมรออะไรรอสิ่งที่เหตุเราสร้างมาแล้วก็รอเขาเกิดขึ้นมาครบหกเดือนน้องดอนเนี่ยหมอมันตกใจเลือดเขาไม่เข้าทุกไหนเลย เลือดไม่มีกุป๊ปไม่ใช่กุ๊ปพิเศษอะไรอะไ ร, ะไรทีนี้เลือดเขาเอายากมากนะหมอชั้นหนึ่งเลยมันมือสั่นเลยเหมือนเป็นหนูลองยาพราะรูบวกว่าไม่ไมูบอกแม่ก็บอกต ไ, ไ, ไ, ไปไปเรากลักบบ้านเขาพ่อครูเกิดมาก็ไม่เคยไม่ให้เลือดเลยแต่แข็งแรงดีเขาก็แนะนาว่าเขาต้องเอาเลือดเขาฝากธนาคารเลือดไว้เกิดมีอะไรเราไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะเขาแข็งแรงดีเห็นไหมกระดาษมีแบบนี้เราก็ไม่ได้ห่วง ดึงออกมาจากสิ่งแวดล้อมบ้าๆบอๆนั้นออกไปเลยบางคนพระครูคิดได้ยังไงถ้ามันคิดมันทําไม่ได้หรอกถ้ามันคิดว่ามันเบื่อก็เลิกหาเงินก็นั่งเฉยๆเสพสุกสิมันก็มีเหตุผลนะอันนี้มันไม่คิดไงอารมณ์มันเป็นยังไงเวลานั้นคล้ายๆว่าเรานอนอยู่บ้านกลางดึกตีสองตีสามไม่เกิดไฟไหม้บ้านพระครูถามว่าเราจะหนีไหมไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมใช่เหมือนพระครูสัมผัสชีวิตนั่นแหละเหมือนมันร้อนไง ออกมาอย่างเดียวแต่ไปไหนไปไปก่อนแต่ว่าพ่อครูเลือกมาบ้านเกิดบางนอนเพอเระเบิดพ่ะครูเห็นส่วนหนึ่งนิดนที่เราทุกมาเนี่ยเรามีอีโก้และเป็นผู้ชายไทยช้างเท้าหน้าไปชนวนบอกเท่าเทียมกันเราหวานอ ง, องค์ขมกืนอยู่เพื่อสนองคุณแม่นะเราต้องนับตั้ง น, นับหนึ่งใหม่แต่พอเรากลับมาที่บังไทยเป็นส่วนเกินทั้งหมดเลยไม่ต้องพนะระธรรมธรรมที่เรารู้หมดเรามีส่วนเกินมหาศาลนี่คือปัญญาเลยไม่ได้ผ่านความคิดไม่ได้ผ่านเหตุผล อ๋อแล้วนอนอยู่บ้านไฟไหมเนี่ยกูไม่ไปดีกว่ามีแต่เงินเมีต่ทองเนี่ยเอาไหมเวลาไหนเนี่ยมันไม่อ่ะอะไรคือไม่มีสาราทั้งนั้นคือออกมาก่อนก็กลับมามาอยู่บ้านกรุงเทพหนีเสือป่าจระเขนะ้ยี่สิบเจ็ปีก่อนไปบ้านเชียงใหม่เชียงใหม่ยัางน้าอยู่นะก็ไม่ใช่ถอยกลับไปอยู่บ้านเมืองอุบลเนี่ยเอาน้องคีเนี่ยไปฝังโรงเรียนอนุบาลหนึ่งนะเขากลับมาเขาบอกว่า พ่ออาชีพอะไรเพื่อนก็บอกว่าพ่อเป็นตำรวจเป็นนายทหารเป็นพ่อค้าเป็นหมอเป็นอะไรเขาบอกว่าพ่อนั่งหลับตาตั้งแต่มันมันลืมตา ม, มันก็เห็นพ่อนั่งหลับตาไงพวกคูเลยเอาละตีกแล้วหนีมาอย่างแล้วมันก็สอนให้เป็นนักอาชีพก็พาไปอยู่ในปา่าถ้าเราอยู่ในเกมนี้เราไม่เล่นตามเกมเขาก็ไม่ได้แล้วเปลี่ยนความที่เขาไม่ได้ไงแล้วเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่ชีวิตเป็นของเราเราสามารถจัดแจงชีวิตเราได้ ต่อจากวันนั้นถึงวันนี้อยู่ในป่านั้นยี่เจ็ปีเนาะยี่สิบปีไม่ไปไหนนิ่งสิบเอ็ดปีไม่มีไฟฟ้าไม่ใช่จากเมืองนอกไปอยู่บ้านนอกไม่มีบ้านจุดที่ไปอยู่ป่าสิบเอ็ดปีไม่มีถนนเข้าไปเพราะคุนั่งเรือข้ามเขื่อนศรลิทอนเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะนั่งเรือข้ามไปศูนย์เราหยุดริมเขื่อนไปจน อ, อําเภอศรีลิทอนยังไมไ่ตั้งนะไปถึงสองปีพิ่งเค่อยตั้งเป็น อ, อําเภอศรีลิทอนไปอยู่ป่าสงบเย็นนะ พกคูไม่ได้เลือกพวกบางคนก็คิดยังไงมาอยู่ที่นี่ถ้าคิดมันไม่กล้ามาหรอกโดยสำสามันสานึกเราจะพาลูกเมียไปเสี่ยงทําไมมันอันตรายชายแดนสมัยก่อนเขตนั้นเป็นเขตคอมมิวนิสต์มันเลิกแล้วหรอแต่ว่ามันยังมีเชื้อมันอยู่ถ้าคิดแต่มันไม่กล้าไปหรอกมันไม่คิดมันก็ไปไปเพราะไปไปเพราะไปแล้วไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลแล้วนี่เรื่องอะไรเราจะไปทําอย่างนั้นตอนนั้นไอ้มันไม่มีคําว่ากลัวอะไรแม้แต่ทั้งนิด เราเข้าใจผิดเพราะคนที่สอนเราเขาก็เข้าใจผิดสอนให้ทําบุญทําบุญจะไปได้อยู่กับไปอยู่กับพระพุทธเจ้าถ้าเรากล่าวไหวพระพุทธรูปเนี่ยในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราเข้าใจผิดหมดพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยุคนี้เราเราหูทิพตาทิพหอ่อเหอินเดินอากาศได้นะเราบินไปอยู่บนแค่ชั่วโมงหนึ่งนะเพื่อนอยู่ฝรั่งเศสคุยกันเรื่องนะหูทิพใช่ไหมตาทิพย์โทรทัศน์มันไม่ได้ทําให้เราพ้นทุกข์ พระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าพระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำสอนพระองค์ทํำเราพ้นทุกได้ถ้ากราบไหว้ในฐานะพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูถูกพระองค์เรากราบไหว้เหมือนรูปในหลวงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เพื่อเราเระลึกถึงคุณของท่านเพื่อเราตั้งมัน่นเราเชื่อศรัทธาว่าบุคคลคนนี้เดินทางนี้มาแล้วเราต้องทําให้ตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นทางเดียวที่เราจะพ้นทุก ไม่ใช่ไปพึ่งผู้ดูเจ้าช่วยเราผู้เจ้าฝืนกฎแห่งกรรมไม่ได้ผู้เจ้าบอกอักตหิอัตโนนาโถไงถ้ากราบไหว้ผู้เจ้าในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็มีระยะห่างจิตคือไม่มีทางเข้าถึงเราไม่มีวันเข้มแข็งผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นยึดผู้เจ้าเป็นสาระมันแปลว่าเป็นแนวทางศรัทธาเชื่อมัน่นเราก็มุ่งมั่นไปยึดมั่นถือมั่นก็เลยมีอะไรกดหัวเราไว้เราเนี่ยเราไหว้พระบรมสาลีริกทาตเนี่ยไหว้ทําไม ไหว้เพื่อแล้ลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่อเตือนให้เราว่าเรามีหน้าที่ทํากระดูกเราให้เป็นพระาธาตุไม่ใช่พึ่งพระาธาตุช่วยเราก็สอนกันอย่างนี้ไงศาสนามันเลอะเลือนหมดแล้วมีตรเปลือกกับพี่สอนให้ทําบุญขึ้นสวรรค์ชั้นนวลชั้นนี้ไม่จะเป็นอย่าขึ้นไปนะเสียเวลามากเสียเวลาต้องทุกมากที่ต้องเสพสุขติดกรำดีกำดีก็ต้องรักมันก็เป็นกำดีเมื่อกำดีหมดแล้วเอาละเอาทเทวดาสูงสุดเลย เมืม่อกำลีหมดแล้ววันแรกเกิดมาต้องอาศัยล่างมนุษย์เนี่ยเป็นลูกเศรษฐีแหกปากร้องทำไมเทวดาพ่อรวยด้วยห้อง่ายทำไมก็หัวเลาะสิสัญชาตญาณมันแปลว่าอะไรญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีไรทุกๆุกทีอยู่ในท้องคุณแม่อบอุ่นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่ต้องทามาหากินฮึแหกปากร้องเลยจากนี้ไปชันทุกข์แล้วนี่คือทุกข์เพเกิดไง พอแก่มาลูกก็โอยนั่นก็โอยก็ทุกข์อีกพอเจ็บมาก็ทุกข์อีกวันจะตายทุกข์อีกเพราะตายไม่ลงเพราะเป็นห่วงนู่นห่วงนี่เนี่ยถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอีกจำแม่นๆอย่ากเกิดอีกเด็ดขาดมันเป็นทางอย่างเดียวเท่านั้นขอให้เราปฏิบัติเราเข้าถึงเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าตอนนี้เรามีแต่อ้างคําสอนพระพุทธเจ้าถูกบังคับให้ท่องจําเกิดมาชาติหนึ่งถ้าใครไม่ได้ยิงคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยตกนรกอะไรเนี่ยไล้สาระ พระครูศีลห้าก็ยังไม่มีเลยและเราเบิดแล้วทำไมถวายชุบุตรเจ้าไม่ใช่เกิดมาท่องจําคําสอนที่ผู้เจ้าว่าต้องทําตามที่พระองค์ทํานี่จะไปท่องจำแล้วเอาความรู้นะั้นมาทะเลาะ ก, กันมันผิดหมดเป็นขยะความรู้ยิ่งอวดรู้ว่าคนอื่นไม่รู้ปีอัตราขึ้นมาอีกมันเป็นแค่องค์ความรู้มันไม่ใช่ปัญญาคนมีปัญญาเนี่ยยิ่งปฏิบัติยิ่งตัวตนยิ่งไม่มีวันที่ผู้เจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดนะ่ยคือวันที่ พระ อ, องค์ไม่เหลืออะไรเลยความเป็นเจ้าชายเชินาถูกฆ่าทิ้งแล้วที่เขาบอกว่าประสูติตัดสรุปริณิพานวันวิสาขาบูชาเนี่ยนะเขาบอกเป็นวันเดือนปีเหมือนกันมันต่างกันที่ปีแต่พระครูไม่คิดอย่างนั้นวินาทีเดียวกันวินาทีนั้นนะพนีเจ้าตัดสรุเวลานั้นพู้เจ้าเกิดขึ้นในโลกใบนี้เจ้าชายจถูกฆ่าทิ้งเวลานั้นวินาทีเดียวกันเกิดพร้อมกันยสบแดพระ อ, องค์นั้นนะ่ เป็นยกตัวอย่างเท่านั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเรียกว่าผู้ที่เจ้าทั้งหลายนั่นแหละจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเพียงแต่ว่าไอ้ที่เขาบันทึกมาแค่นั้นและใบไม้กับมือเดียวผู้เจ้าเอามาสอนเนี่ยนะเป็นตัวอย่างบางตอนอย่างกรรมาฐานเนี่ยก็สี่สิบตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอสุภะสิบก็คือว่าไปเพ่งอสุภะเพ่งสรากศพ ม, มีสิบท่าจริงๆแล้วมันมีร้อท่าพันท่าอย่างสุนัขเดินมาที่นี่สุนักมา มาถ่ายอุจจาะที่นี่ใช่ไหมแล้วก็นั่งดูมันดูเฉยๆเฮ้ยเมื่อกี้มันเปียกสักพักหนึ่งมันแห้งเอ้ยมันเป็นก้อนอยู่สักพัดนึงมันย่อยสลายอ๋อทุกอย่างมันเป็นในที่สั่งทุกขาตะแค่นี้ก็บรรลุธรรมแล้วเข้าใจไหมศึกษาธรรมนี่อย่าซื่อบื้ออย่าใช้ความคิดแบบเหตุผลแบบตักกะเป็นเรียนรู้แบบนั้นผู้ชนบอกอยาพึ่งเชื่อตำราตำลามันหยาบเกินไปที่จะพูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกัน ในยุคเราเห็นนะกี่ปีก่อนพวกคูมาจากเมกาเคยได้ยินเมืองไทยทะเลาะ ก, กันค่ายนี้บอกว่านิพานเป็นอัตตาค่ายนี้บอกนิพานเป็นอนตัตตากรุงเทพขึ้นป้ายเลยนะค่ายอัตตาว่าใครพิสูจน์ได้ว่านิพานเป็นอนัตตาเนี่ยให้ล้านหนึ่งฝ่ายนี้ก็บอกว่าในพระเตยบิดโกรุนว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไงค่ายนี้บอกว่าสัพเพธรรมาสัพเพนี่คือสัพพสิงนิพานไม่ใช่สัพเพสิง ท่านนี้ก็อธิบายว่านิพานคือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นนิจจงมันจงเป็นอัตตาพ่อคุยอยู่ในป่า น, นั้นก็โดนหางเล็กนะคุณหมอคนหนึ่งบอกแล้วพว่อครูว่ามันเป็นอะไรนิพานยังพ่อคุยตอบผมมาเลยนะไม่เคยได้ยินคําถามนี้นิพานยังไม่ใช่นิพานเลยมันจะเป็นอะไรนิพานมันไม่มีอะไรถ้ายังเป็นอยู่นิพานไม่ได้คนละเรื่องเดียวกันคําว่านิพานเนี่ยมันเป็นชื่อสมมุติเรียก ว่าจิตเหมือนเราเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยนะแต่ด็อกเตอร์คือมาตรวัดความองค์ความรู้ของเรานิพานคือชื่อสมมุติว่าจิตดวงนั้นอนะ่ะไปถึงขั้นที่เขาดับทุกได้แล้วนะ่ยสมมุติท่านบอกว่าสภาวะปุ๊บมันก็จะมีสภาวะนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่สภาวะคือมันดับทุกแล้วจิตมันยังอยู่นะแต่มันไม่มีอัตตาแล้วเข้าสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตาเพราะครูยืนยันนะพวกทีเจ้ายังอยู่ จิตซึ่งสมมติว่าเรี่ยพระพุทธเจ้ายังอยู่แต่จิตดวงนั้นน่ไม่ต้องมาอยู่ในวัฏฏะสงสารคือสามโลกธาตุนี้แล้วพระองค์ยังไม่ทิ้งกรรมที่พระองค์สร้างศาสนาขึ้นมาพราะองค์ดูแลเราอยู่ ใ, ใครสรั่งพระครูไปอยู่ในป่านะใครจ้างพระครูก็ไม่ได้ตอนนี้มดหมออแต่และตัวมีจิตไหมแล้ววิญญาณล่องรอยเนี่ยเยอะไหมที่มันยังไม่เกิดเนี่ย แล้เป็นมอลแบบปกะเออสมัตมันอยู่แค่นี้เอา อ, ออกก็หมดแล้วเนี่ยนะครับในน้ํา น, นั้นก็มีจุลินทรีย์ยังมีชีวิตครับเออื่อบางสายเออเราสื่อสิงกินเจ พ, พวกะพ่อคูหลังจากระเบิดแล้วเนี่ยสังคมออก็พ่อคูกินเจกินมังชวิรัติพอเดินทางมันมันมั น, มนไม่สะดวกติดพวกคูไม่ติดไงก็กินเจเขี่ยวเออมาเมืองไทยต้องอาหารสั่งพิเศษตอนนั้นต้องหิ้วไปด้วยหิ้วนไม่ใช่ไปวางนะมีปีนึงพ่อคุกินผลไม้ทั้งปี ถ้าเลือกได้พวกกูกินผลไม้ในแง่ร่างกายมันย่อยง่ายแต่มันขาดสารอาหารผิวพวกกูแห้งแต่ไม่มีผลต่อจิตวิญญาณมีลือสีคนนึงไปถามพวกกูเถียงกันเป็นลือสีดีเป็นเป็นภิกษุดีภิกษุพูดเสียงดังอะไรอะไรมาถามพวกกูพวกกูเป็นอะไรดีเป็นอะไรก็ไม่ดีเวียงทิ้งก็มันเป็นสมมุติก็ก็อย่าไปทําลายสมมุติภาวนาตัวจะเป็นพระก็ทำหน้าที่พระดีๆเป็นลือสีดีๆทีนี้ลือสีว่าพวกกูกินเจไม่ไม่กินมังสวิรัติไม่บอกไม พวกินพอกูกินเนื้อสัตว์หรกไหมพอกูกินอะไรกินอาหารอย่ามากเรื่องกินอาหารกินก็อยู่ไม่ใช้อยู่เพื่อกินอย่างเราไปบินทบารเนี่ยเราเลือกได้ไหมแล้วก็เลือกอาหารเราถ้าเราเลือกได้เลือกอาหารที่มันเหมาะกับธาตุเรานี่ยแม่รู้จักหมีแพนด้าไหมได้ยินหมีแพนด้าไหมมีแพนด้ามันกินอะไรกินไม่ไผ่เนาะแล้วหมีขั้วโลกเหนือมันกินอะไรเอาหมีเหมือนกันทำไมมันกินไม่เหมือนกันล่ะจะไปตายตัวนะ กินอาหารแค่ไม่ตายแค่ดํารงชีพเพื่ออาศัยชีพนี่ชีวิตนี่ร่างกายนี่เป็นเครื่องมือเดินทางของจิตเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เราเอาเอาชีวิตร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการสร้างอนาคตอนาคตอยู่ไหนบอกพระครูหน่อยสิอยู่นูน่นนูน่นนูน่นนูน่นนูน่ น, นตายแล้วเกิดใหม่ก็เดินต่ออยูงไม่ถึงสักทีนึง <laughs> ไม่มีแม้แต่หนึ่งคนสําเร็จนะพระพุทธเจ้าสําเร็จมาแล้วสองพันกว่าปี เห็นไหมสำเร็จแบบเด็ดขาดเลยไม่ต้องเรียนว่า้ตายเกิดอย่แล้วอันนี้คือสําเร็จจริงๆาศาสนาทุกวันนี้ที่เรานับถือกันเนี่ยดวงมาแล้วไม่เกินสามพันปีที่ผ่านม า, าศาสนาก็สมมุติธรรมชาติไม่มีาศาสนามันตั้งขึ้นมาทีหลังแล้วก่อนหน้านี้สว่วนในสายพุทธเราบันทึกว่าผู้เจ้าทั้งหลายอีก27พ็พระองค์จะเป็นกัตสิยที่บังกรไม่มีาศาสนาเนี่ยเขาบรรลุธรได้ยังไงตอนนี้ว่าโอ้ยใครบรรดูทําแล้วนี่ไม่บวชแล้วจะตาย จะรอนพระละหันกลัวตายกว่ารอนไอ้สีเหลืองๆโกนผมนี่มันขังขนาดนั้นหละคนจีนเขาบอกฝ่อใจใหลิงซันคุกต่อเหล่งซัวพระอยู่ในภูเขาจิตมันไม่ใช่เครื่องแต่งกายไม่ใช่เรื่องอาชีพตอนนี้ไปตุรกีนะญาติธรรมไปมาถ่ายด้วยพระกูลอันนี้ประวัติศาสตร์ห้าพปีก่อนก่อนที่จะไม่มีศาสนาใดๆ น, ะ, นะมีพระอาจารย์รูปหนึ่งตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่านนะอัติท่านเป็นพระธาตุเน่ยเขาไปไหว้กันไม่มีศาสนาไง แล้วเขารู้ทํเพาอะไรรู้ไหมปรวัตศาสตร์เขาเนี่ยเขายืนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนแรงเหวี่ยงมันเต็มนะจิตมันอยู่ในแกนกลางเหมือนพายุทอร์นโดเนี่ยจุดที่ปลอดภัยที่สุดอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตรงกลางมันนั่นคือเอกข้าตาลุ่มเมื่อมันสะสมพลังนั่นคือมหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมเข้าเข้าออกออกแบบนี้สะสมแ้มเนี่ยอาละนี่มันไกลไปห้าพันปีย้อนหลังไปพันกว่าปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโซฟี บังเอิญเนี่ยคนค น, นี้เขาน้มถืออิสลามอิสลามตอนนี้ใช้วิธีหมุนเนี่ยมาเป็นอะไรล่ะเป็นแค่พิธีกรรมที่ว่าเหมือนคนอินเดียเขาไล่ลำถวายพระเจ้านะเขาก็หมุนนะแต่ของเราไม่ต้องฝึกเลยนะพอเข้าไปในจิตได้นี่หมุนเองแล้วหมุนสวยงามด้วยมันอินไซเอาเพราะจิตเดียวมันเคยฝึกมาแล้วโซฟีนี่เขายืนหมุนสาสิบกชั่วโมงไม่กินไม่นอนไม่หยุดไม่อะไรระเบิดตุ่มบรรลุธรรมเลยเหมือนกันบรรรรมี่ผ่านไม่ ศาสนาใดแต่พุทธเราผู้เจ้าเน้นเรื่องนี้เน้นเรื่องนี้แก้ปัญหาแบบเสร็จแต่หลายศาสนาเขาเน้นเรื่องอยู่กันแบบสติเพื่อสานติเพื่อเพื่อไม่ขัดแย้งกันแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ผลทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองตอนนี้พูดถึงมาถึงศาสนาทํางานไม่ได้ผลทุกศาสนาสู้กิเลสไม่ได้เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นกับอุดมการกับเทคนิควิธีการเก่าๆตอนนี้พวกครูบ่กเราใช้จีหนึ่งได้ไหมไม่คุ้นก่นเขาใช่ไหม แต่คุไม่ต้องใช้เลยนะย้วตัวอย่างนี่แต่ถ้าคุณเล่นเก่งกว่าเขาคุณก็ต้องเหนือเขาต้องเท่ากับเขาใช่ไหมนี่คือเกมมันไงวิถีชีวิมตมันเล่นเกมกันต้องได้เสียก่อนค่อยดำรงชีวิตได้สมมติสมมติว่าพปกูมมกกเป็นนักต่อสมมนักมวยเราขึ้นเวทีเราไม่โชกเขาก็โชกเราเห็นไหมอย่างนั้นเราเกิดเกิดความกังวลเนี่ยไหมพอชนะในเกือบตายเหมือนกันไงแพ้ก็เจ็บชนะก็เจ็บเมื่อเกิดปัญญาแล้วเฮย้ยเรื่องอะไรจะไปชค มีทางเดียวแล้วไม่อย่ดเราคืนเราไม่เลชกเราเลิกเล่นเกมเขาแต่เราหยุดเกมนี้ไม่ได้มันเป็นเกมที่สังกัดมันร่วมสังกักรรมกันสร้างกรรมขึ้นมาเราหยุดเขาไม่ได้แต่ชีวิตเราหยุดตัวเองได้เพราะครูสอนเด็กๆอยู่กับโลกให้ได้ไม่ใช่หนีโลกอยู่ในป่าก็เป็นโลกนั่นแหละแต่อย่าไปตามโลกตามไปว่าไม่ทันรู้เท่าทำกวนเปลี่ยนแปลงของมันถ้าไม่รู้มันก็กระทบเห็นไหมเราต้องอยู่กับมันให้ได้ แต่ทุกวันนี้อยู่ได้ไหมล่ะอยู่เสียหมดเป็นธาตุมันหมดไงอยู่ให้มันได้ก็คือว่าเราต้องไม่ทุกข์ไม่ใช่ได้เงินได้ทองนะที่เลดไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติภาษาเนี่ยไม่ใช่ธรรมชา ต, ภาาชรรชาติภาษาคือสิ่งมนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมยกตัว อ, อย่างว่าเด็กคนนี้เกิดมาปุ๊บเขาไปทิ้งอยู่ในป่าเป็นธาาุเนี่ยมันคิดไหมใช่แล้วความคิดมันเกิดจากอะไรจากเราเรียนรู้เราฝึกอะไรอย่างนี้ไหม ภาษาเรานี้เกิดจากอะไรเราสร้างขึ้นมาเองนั่นนั่นแหละกิเลสไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นเราต้องรับผิดชอบในกรรมที่เราสร้างมันขึ้นรับผิดชอบโดย ว, ว่าตอนนี้จะไปรังเกียจมันนะถ้าเรารังเกียจกิเลสเหมือนเราเกียร์เกียรตัวเองนี่นแหละเราสร้างมันขึ้นรู้เท่าทันมันเท่านั้นเองกรรมมันต้องส่งให้เราเกิดมาตรงนี้อยู่กับพ่อแม่อย่างนี้สิ่งแวดล้อมแบบนี้ถูกปรุงแต่งอย่างนี้ผลลไม้หล่นไม่ไกลต้นอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ไม่เสมอนะ บางทีมันหลวนปุ๊บไปเจอคนใจบุญมาเก็บแอปเปิลตัวนี้ไปที่อื่นมันมีสิตตเปลี่ยนอยู่ที่กรรมปัจจุบันด้วยแต่กรรมในอดีตมันต้องเป็นไปตามมันทํำไมเกิดเป็นคนไทยทํำไมเกิดเป็นพ่หลังทํำไมเกิดเป็นผิวดำผิวขาวมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะมันมีเหตุของมันอยู่แต่ตอนนี้เรามั่วเผ่าพันุ์ละความเจริญเราไงทีนี้มันก็เกิดปัญหาหลายๆอย่างครอบครัวพ่อครูเนี่ยแม่นี่งงมากแม่ไปมีเชื้อจีนอยู่อเมริกานะลูกสะพ้าคนนี้ก็คนฟิลิปปิน ลูกสะพ้าคนนี้ก็คนเกาหลีลูกเขยคนนี้ก็คนสวิตเซอร์แลนด์อ่ามีพ่อครูเป็นคนไทยกับภรรยาเป็นคนไทยเนี่ยนะชั้วว่าแม่ทําอาหารวันนี้จะทํำยังไงเอ้าเรามั่วเผ่าพัานธุ์แล้วปัญหาต่างๆทีนี้ก็เอาเวลามาเออมาเรียนรู้กันแทนที่จะเอาเวลามาเดินทางให้พ้นทุกต้องเอาเวลามาปรับสมดุลถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่มีเรื่องใช่ไหมนี่คือความเจริญไงบังเอิญที่ศูนย์เราอยู่ริมเขื่อนนะพ่อครูก็เด็กๆ ทำการบ้านไปดูว่าออไปดูว่าในเขื่อนนั่นมีปลากี่ชนิดไปถามผู้รู้ถามประมงถามอะไรเป็นพันพันชนิดเลยนะมันใส่เสื้อผ้าไหมไมันไม่ใส่ใช่ไหมมันมั่วผ่าพันธไห ม, ไ ม, ม, ไ, ห ม, มไม่ประดูผสมกับปลาช่อนไหมมันไม่ผสมแต่มนุษย์เราเป็นยังไงมั่วเ่าพันุ์หมดเลยทีนี้แล้วไปฝืนกดแห่งกรรมถ้าสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินไม่มีการเดินทางก็ต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมเพราะว่า เหอไหม่มีแพนด้ามันก็ยังกินไม้ไผ่มีโคกเหนือมก็ต้องกินกินปาลาเรามานั่งเขียงกันว่ากินอะไรดีไม่ดีเน่ะนะแล้วมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเออมีพระฝรั่งคนหนึ่งมาจากพม่าเป็นฝรั่งเศสมาอยู่กับพ่อครูชั่พักหนึ่งเดิมแมกระถามพ่อครูถ้าสมมติว่าเราวิจัยแล้วแล้วขนมปังเนี่ยมันมีธาตุอาหารมากกว่ากินข้าวและกระบวนการกินมันง่ายกว่าเนียทําไมคนเราไม่กินขนมปัง พ่อครูถามว่าผ้าจานทำไมไมาเกิดไม่เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็ถามว่าทําไมทําไมพราคกูก็ถามท่านคืนทําไมงูไม่มีขาทําไมคนมีสองขาทําไมวัวมีสี่ขาผ้าทิศมาจากไหนนักวิทยาสตร์ตอบสิพองูไม่มีขาบอกมันเป็นฉันเลื้อยคันทาไมกิ้งกือมันมีหลายขาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์อย่าไปเสียเวลาแม้ต่นี้ผู้เจ้าตอบว่าอย่างเช่นนั้นเอง ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ชอบตอบไม่ได้บอกเช่นนั้นเองเอานักวิทยาศาสตร์ตอบพระครูหน่อยทำไม ง, งูไม่มีขาตอบสิทําไมเด็กขาแฝดคู่หนึ่งเกิดมาพร้อมกันดีเ <DNA S 1> เหมือนกันเลยทำไมไอนี่ขี้แยนี่ไม่ขี้แยไอนี่ไอคสูงไอนี่ไอคต่ำอ่ะอยังไม่ได้สอนเลยนะก็ อ, อยู่ในท้องแม่เดียวกันไนงะนักวิทยาศาสตร์ตอบสิเช่นนั้นเองมันเป็นไปตามกรรมในดีเนเอนั่นแะมันบันทึกกรรมมาไม่เหมือนกันเราฝึกเดี๋ยวเราจะเห็นสิ่งนี้ เห็นก็สัจจะว่าเห็นสุดท้ายอะไรก็ไม่ใช่ถูกก็ไม่ใช่ผิดก็ไม่ใช่ไม่ต้องเสียเวลาไปวิเคราะห์ อ, อะไรทั้งนั้นอะไรก็ไม่ใช่มันเพื่อนก็เอาความเพื่อนออกเท่านั้นเองพระคูพระพุพะพทธเจ้าสอนสามอย่างคือทำดีละชั่วขัดเจาจิตและฟงใส่ไม่ได้สอนให้เพิ่มเติมองค์ความรู้อะไรเลยยิ่งรู้มากทุกมากเป็นขยะแต่วิถีชีวิตการดำรงอยู่คุณต้องมีอาชีพไงมันจัดระบบอาชีพเธอต้องเรียนก่อนเธอต้องทำอาชีพนี่ยได้ไ ด, ไดทุนนิยมทั้งนั้นนะ เราก็ถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่มีงานทําเรียนเพื่อแค่มีงานทําเพื่อแค่ดํารงชีวิตได้ถ้าแค่เอาตัวรอดไปเป็นลิงดีกว่าไปเป็นทาสานก็เอาตัวรอดไม่ต้องไปสู้กับไก่ไม่ต้องมีเจ้านี้ลุหนี้เห็นไหมมนุษย์เราทําไมพัฒนาจนถึงวันนี้เราเพิ่งแต่เอามาอยู่แล้วละ่ะกรรมนี้ต้องรับรอระเบิดยุคเรานี่ยจบแล้วมันพิสูจน์มาเจ็ดแปดสิบปีหลังสงครามโลกที่สอง 2, เห็นชัดแล้วว่า ความคิดนี้นิดแก้ปัญหามนุษยชาติไม่ได้ยิ่งไปยิ่งทำลายเนี่ยเกาหลีสองวันนี้ก็ทดลองอาวุธนิวเขียมันประเทศเล็กมันไม่กลัวใครแต่หลายคนนี่ไปขู่มันจะกลัวมันนะมันบอกแลกไหมแลกไหมอเมริกาไม่แลกไหมเพราะเขาถูกรังแกมาตลอดเขารู้เพีอย่างเดียวเท่านั้นไงแล้วไปตั้งว่านิวเขียมเพื่อสันติถ้าสันติต้องสร้างกันเยอะๆใช่ไหมอยู่กับฉันสันติอยู่กับเธอไม่สันติเริ่มต้นมันก็เอาเปรียบกันแล้วไง เขาบอกว่ามันไม่จบหรอกเกมนี้เนี่ยมันต้องเดี๋ยวข้าเถือถ่อฉันข่าเถื่อเถอข่าฉันชาตินี้ฉันเลี้ยงเธอชาติน้นเถอต้องมาเลี้ยงฉันต่อมันเวียนว่ายตายเกิดไม่จบเพาเราฆ่าคนชั่วทั้งหมดเลยคนชั่วใหม่ก็เกิดขึ้นคนที่ฆ่าเขาเมื่อกี้เนี่ยชั่วอย่างยิ่งเลยไงไม่จบมึงชั่วกูดีอะไรไร้สาระมนุษย์เราลองมาหมดแล้วไม่มีทางเลือกก็เอาระบบประชาธิปไตยร ะ, ยะบบประชาธิปไตยเนี่ยถามว่ามันดีที่สุดไหม คุนนิยมดีไหมไม่เพราะคูถึงหนีมันมาไงจต่เราปฏิเสธมันไม่ได้เมื่อเราอยู่ในเกมนี้เราต้องรู้เท่าทันเกมตราบใดที่คุณยังขึ้นเวทีอยู่คุณไม่ชคเขาก็ชคคุณม่นจะไปรักษาความดีรักษาความนั้นคุณตายประชาธิปไตยเขาไม่ได้ยึดหลักไม่ได้ยึดหลักความถูกต้องเสนหน่อยหนึ่งไม่มีคุณมีประลอดวัดความถูกต้องไหมเขายึดหลักเสียงส่วนใหญ่ฉะนว่าโจรเนี่ยมันต้องเลือกคนมาหาโหดเลยเป็นหัวหน้ามันโจรมันต้องเลือกโจร ใจมันเลือกคนดีได้ยังไงจนมันไม่ชอบนอกจากคุณยาวประชาธิปไตยเพราะคุณไม่มีทางเลือกมันเถียงมันไม่จบไงก็สุดท้ายก็โหวตเสียงเมื่อคนส่วนใหญ่พอใจมึงก็ทั้งมันเถอดเดี๋ยวมันทำเพราว่ายังโลกนี้มันแข่งกันทําไปทำมามันก็เปรียบเทียบกันข้างประเทศใช่ไหมมันก็เรียนรู้ด้วยกันไปเองไงอันนี้ถ้าเราไปเอาความดีความไม่ดีมาวัดเนี่ยถามว่าคุณเอาอะไรมาวัดไม่มีประหลอดวัดไหมนักวิทยาศาสตร์น่าจะผลิตเครื่องมือให้พ่อครูเครื่องหนึ่งอะ บอลอดก็ได้บอลอดวัดความดีก่อนจะสมัครผูดแทนมึงอมก่อนพ้าไม่ดีห้ามสมัคร <c oughs> <c oughs> คุณเอากฎหมายมาเขียนเนี่ยไล้สารละมันก็ลอดช่องวิเนัยร์ภูริเจ้าภาษาบาลีมันก็เลี่ยงบาลีทั้งหมดอยู่ที่คุณธรราแล้วคุณธรรมตรงนี้จริงๆไม่ต้องสอนนะมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่มันมีความรู้ผิดมันเลยหายไปหมดเนี่ยเอาวิชาแปลว่าความไม่รู้เพราะคูไม่ค่อยชอบ พรากูไม่ชอบทุกคนพูดเหมือนกันหมดคนที่จบป ร, ริญญาเก้าจบด็อกเตอร์ทางศาสนาพรากูเคยถามครูบาอาจารย์ที่ท่านจบมาถามว่า mm hmm. ไอ้คําว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรทุกคนตอบเมือกันหมดไม่รู้ยศศีไม่รู้ปฏิสูจน์บาตรุ่ง ก, กันว่าบอกท่านรู้หรื อ, อย่างถ้าท่านไม่รู้เนี่ยท่านก็ไม่จบใช่ไหม mm hmm. เด็กๆ ก, ก็รู้นะ mm hmm. เขียนก็ได้นะ mm hmm. มันจะดีขั้นตอนเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้อย่างนี้คุณต้องเข้าถึงมันแต่เอาล่ะอวิชชา ถ้าใช้ภาษาใกล้ๆพ่อครูใช้ภาษาใกล้ๆนะแต่พูดมาก็ยังไม่ใช่แล้วล่ะแต่ใกล้ๆคือความรู้ผิดไม่ใช่คุณไม่รู้ผู้รู้เต็มหมดดร์ดตเต็มบ้านเต็มเมืองทําไมคุยกันไม่รู้เรื่องก็เขาไม่รู้ไงเขาไปหลงว่าที่เขารู้เนี่ยมันถูกต้องคํำว่าหลงนี่ถ้าเขารู้เขาก็ไม่หลงใช่ไหมก็เขาไปหลงรู้ว่าเขารู้น่ะถูกต้องมาถึงเถียงกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะเอาง่ายๆดีกว่าวิชาภาษาศาสตร์ใช่ไหมเราสื่อกันด้วยภาษาใช่ไหม เราก็เรียนจนจบถูงสุดเป็นเป็นปริญญาเอกได้เป็นด็อกเตอร์แล้วออกมาทําไมคุยกันไม่รู้ภาษาคุณเรียนสูงสุดเลยแล้วภาษาจะทําไมคุยกันไม่รู้ภาษาผม ว, ว่ามรู้มันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ปัญญาเหตุผลแบบตรร ก, กะหรืปัญญาลรือมันไม่ใช่ธรรมะหลักปัจญญานี่อ้างอิงธรรมะธรรมชาตินั่นแหละปัญญาปัจญญาของจือ้อปัญยาเหมาเจอง้งตงปัจญาอะไรอะไรมันทำไมเปลี่ยน แต่สัจธรรมความจริงนี่เปลี่ยนไม่ได้อีกกี่ล้านปีก็เหมือนเก่าทำดีๆทำชั่วช่วเกิดแก่เจ็บตายเนาะไปเข้าห้องเรียนแล้ว